เมื่อมีปัญญารู้ความจริงก็เลิกพึ่งพิงตันหาอันมาอยู่ด้วยปัญญาที่เอาประโยชน์ได้จากธรรมะในทางตรงข้ามาเรารู้ทันความจริงของโลกและชีวิตและเปลี่ยนวิธีสัมพันธ์เสียใหม่เราไม่สัมพันธ์ด้วยอวิชชาตันหาอุปาทานแต่เปลี่ยนจากอาวิชชาเป็นวิชาและสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายด้วยปัญญาสมุทัยก็หายไป กลายเป็นนิโรธพอวิชาตัณหาอุปาทานหายไปปับ๊บสมุทัยหายไปทุกก็หายไปด้วยกลายเป็นนิโรธดับทุกหมดหรือทุกขไม่เกิดขึ้นเลยดังนั้นวิธีแก้ไขก็คือการพัฒนามนุษย์ให้มีปัญญาจนกระทั่งหมดอวิชาตัณหาอุปาทานเพราะฉะนั้นจึงต้องทําให้เกิดวิชา เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตโดยอาศัยตัณหาน้อยลงตามลำดับจนกระทั่งอวิชชาหมดไปเมื่อหมดอวิชชาแล้วก็คือนิโรธไม่มีทุกเกิดขึ้นอีกจากกฎธรรมชาติโยงมาถึงอริยสัจเข้าใจว่าชัดพอสมควรถ้าไม่ชัดกรุณาถามด้วยย้อนอีกทีหนึ่งว่า กฎธรรมชาติมีอยู่เป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายที่เกิดดับเปลี่ยนแปลงไปคงสภาพเดิมไม่ได้เป็นปรากฏการที่ปรากฏภาพออกมาตามเหตุปัจจัยของมันเป็นไปตามธรรมดาอย่างนี้เมื่อมนุษย์อยู่ในโลกก็ต้องไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นถ้าเราสัมพันธ์ไม่ถูกคือใช้อวิชชาตันหาอุปาทานก็เกิดปัญหาทันทีคือเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องให้ใช้ปัญญาที่จะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นด้วยความรู้เข้าใจจนกระทั่งไม่ต้องอาศัยอวิชชาตันหาอุปาทานเมื่อเราพัฒนาปัญญาจนถึงที่สุดเราก็จะพ้นจากอาวิชชาตันหาอุปาทานเราก็เป็นอิสระก็คือถึงนิโรธแต่ในการที่จะมีปัญญา จนหมดอวิชชาตันหาอุปาทานนั้นมนุษย์ก็ต้องพัฒนาตัวเองซึ่งก็คือมรรคนั่นเองมรรคก็คือกระบวนวิธีพัฒนามนุษย์ไปสู่การมีปัญญาจนกระทั่งไม่ต้องอาศัยอวิชชาตันหาอุปาทานในการดําเนินชีวิตแต่เป็นอยู่ด้วยปัญญาพอถึงตรงนี้ก็จบเรื่องของอริยศสตร์เพราะฉะนั้น จึงพูดได้ว่าพระพุทธศาสนาสอนเรื่องธรรมชาติกับการที่มนุษย์ไปสัมพันธ์กับธรรมชาติเท่านั้นเองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 1. ความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ 2. การรู้เข้าใจความจริงนั้นแล้วนำมาใช้ประโยชน์แต่เป็นประโยชน์ของตัวชีวิตเองที่จะให้ชีวิตของเราหมดปัญหาอย่างแท้จริง พูดอีกอย่างหนึ่งว่ากุธศาสนามีเท่านี้คือ 1. ความจริงของธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติซึ่งเราต้องเรียนรู้และใช้ประโยชน์โดยปฏิบัติให้ถูกต้อง 2. มนุษย์เป็นผู้เรียนรู้เข้าใจความจริงนี้และใช้ประโยชน์จากความรู้นั้นเราจึงต้องศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ด้วย